พระภูมิพระภาตอาหันกสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์รอมทางประธรรมและประสงค์เป็นสรวะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีล ทาสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นต้องอาศัยสมาธิและสมาธินั้น ก็ต้องอาศัยศีลพร้อมกับสาระเป็นภาพพื้นสาระนั้นจำต้องอาศัยโดยแท้เพราะธรรมะทั้งปง อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาฉะนั้นความรับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติก็คือการถึงสารณะ หรือมีสารณะนั่นเองดังนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรตั้งใจถึงกระพุทธเจ้าเป็นสารณะคือที่พึ่งตั้งใจ ถึงก็ทําเป็นเจรณะคือที่พึ่งตั้งใจถึงประสงค์เป็นเจรณะคือที่พึ่งความตั้งใจถึงนี้เป็นความตั้งใจที่แนวแน่ ไม่มีแบ่ ง, งดังบทตรวจที่ว่านัตเมสรนังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีบุตโธเมสรนังวรังระพุทธ เป็นที่พึ่งอันเปิดเผยของข้าพเจ้าทำโมเมสรณังวรังและทำเป็นที่พึ่งอันเปร์เผยของข้าพเจ้าสั้งโอเมสรณังวรังแระสง์เป็นที่พึ่งอันเปร์เิยของข้าพเจ้าดังนี้ เป็นความตั้งใจถึงที่ไม่มีแบ่งไปที่อื่นเป็นสั้งใจถึงที่แน่วแน่และที่มั่นคงเมื่อเป็นดังนี้การถึงสารนะนี้เอง ก็นำให้สมาทานศีลนำให้ตั้งใจปฏิบัติศีลตามที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงบัญญัติไว้ตั้งตนเป็นศีลฆ่าตั้งใจงดเว้นจากการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ตั้งใจเพื่อพืชผิดในกามทั้งหลายหรือตั้งใจเว้นจากอพรมมัจริยกิจตั้งใจงดเว้นจากการพูดเทรกตั้งใจงดเว้นจากน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นฐานที่ตั้งของความประมาท ผู้ที่มีความตั้งใจยิ่งขึ้นไปก็ตั้งใจปฏิบัติในศีลที่ยิ่งไปศีล น, นี้จะเป็นศีลห้าหรือศีลที่ยิ่งขึ้นไปกว่าก็ตาม ยมรวมอยู่ในลักษณะอันเดียวคือความปกติใจพร้อมทั้งกายและวาจาความปกติใจนั้นก็คือใจไม่ถูกราคะหรือโลภ โฉะโมหะครอบงำดึงเอาไปจึงเป็นใจที่เป็นปกติไม่ได้คิดที่จะละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งม่ได้คิดที่จะ ก่อภัยก่อเวรอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเมื่อจิตไม่ถูกกิเลสดังกล่าวครอบงำก็เป็นจิตที่เป็นปกติเหมือนอย่างน้ำในแม่น้ำที่ไม่มีลมก็เป็น น้ำที่ไหลไปเป็นปกติหรือที่ขังอยู่เป็นปกติเกิดเป็นระลอกลื่นความที่เป็นปกติดังนี้คือสีลและเมื่อจิตถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมก็สงเป็นจารณะ พระพุทธเจ้าประทรรประสงค์มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสติจิตก็ย่อมเป็นปกติเพราะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มาตั้งอยู่ในจิตด้วยสตินั้นกิเลสทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสที่จะ ฟงขึ้นมาครอบงำได้ก็เป็นศีลขึ้นมาเองเป็นความปกติและเมื่อจิตเป็นปกติกายวาจาก็ปกติจะนิ่งหรือจะพูดก็เป็นปกตินั่นเอง จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็เป็นปกติอยู่นั่นเองดังนี้ก็คือสิ่งฉะนั้นความที่ตั้งใจถึงก็พุทธเจ้าประทมเป็นประสงค์ดังสูตรว่าบุตรทางสนังชามิขมัง สันัตชามิสั่งขังสันัตชามิสก็ดีหรือนัตถิเมสันนังอันยังมุทโเมสันังวรังธรรมโมเมสันนังวรังสังโฆเมสันังวรังดังกล่าวมาข้างตนนั้นก็ดีก็เป็นอัน อัญเชิญพระพุทธเจ้าประทำประสง์มาตั้งอยู่ในจิตนั่นเองดังนั้นจิตก็เป็นจิตที่มีสาระขึ้นมาเป็นจิตที่มีศีลขึ้นมาจึงเป็นพื้นฐานสำหรับสมาธิและสำหรับปัญญาต่อไป และพื้นฐานดังกล่าวนี้ก็ควรที่จะได้ตั้งใจให้มีขึ้นทุกคราวที่ปฏิบัติทุกๆวันก็จะทำให้การปฏิบัติ ในสมถะกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานหรือสมาธิปัญญานั้นเป็นไปได้สะดกขึ้นและเมื่อได้สาระได้ศีลมาเป็นพื้นฐานดังกล่าวนี้ก็ คือว่าได้ช่องได้โอกาสได้ความเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติในสมาธิสืบต่อไปถึงปัญญาในสัญญาสิบขอ้อสิบนั่นพระบรมศาสดา ใด้ทรงแสดงอานาปานสติคือสติที่กำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็เช่นเดียวกับในสติปัฏฐานสีนั่นแหละแต่ว่าอานาปานสติในหมดธรรมนี้ แสดงอานาปานสติสิบหกชั้นโดยที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสสนาสี่ชั้นเวทนานุปัสสนาสี่ชั้น จิตตานุปัฏฐานสี่ขั้นและธรรมานุปัฏฐานสี่ขันธ์สำหรับที่เป็นขันธกายานุปัฏฐานสี่ขั้นนั้น mm hmm. ก็เช่นเดียวกับที่ตัดแสดงไว้ในกายานุปัฏนาสีิขันธ์ ในมหาสติปัฏฐานสูตรโดยจิตตัดสอนตั้งต้นแต่การที่เข้าไปสู่ป่าเข้าไปสู่คนไม่ หรือว่าเข้าไปสู่เรือนว่างนั่งคู่บรรลังตั้งสายตรงดำรงสติให้เหมือนอย่างมีหน้ารอบได้ นั่งคู่บันลังนั่นก็คือนั่งดังที่เรียกว่านั่งขัดสมาธิซึ่งนิยมนั่งกันเท้าวขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายตรงก็คือตั้งกายให้ตรง มาให้น้อมไปข้างหน้าไม่ให้น้อมไปข้างหลังมาให้น้อมไปข้างซ้ายข้างขวาส่วนจะวางมืออย่างไรในขั้นบาลีไม่ได้แสดงไว้แต่ก็มีนิยมใช้กันเช่นวางมือ ทับกันเกียนมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วใหญ่ชนกันหรือว่าจะวางมือให้ห่างกันอย่างไรก็สุดแต่ความสะดวกและเมื่อได้สถานที่ ได้จัดการนั่งเรียบร้อยแล้วก็ตั้งใจถึงสรณะและตั้งใจให้เป็นศีนขึ้นมา เป็นเบื้องต้นก่อนเพื่อให้เป็นพื้นฐานดังที่กล่าวมาแล้วสถานที่ก็ดีอิริยาบทนั่งก็ดีก็นับว่า เป็นการจัดในส่วนภายนอกเกี่ยวกับสพานที่เกี่ยวกับกายนนับมาเป็นการวิเวกความสงดกายและก็จัดการ อันเชิญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาประทับอยู่ในจิตใจด้วยการถึงสาระเป็นสาระคือที่พึ่งกาจัดภัยได้จริงเพราะเมื่อมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาประทับอยู่ใน จ, ใจิตใจจิตใจถึง ก็จะทำให้จิตใจนี่บริสุทธิ์สงบและกล้าหาญไม่หวาดกลัวอะไรแม้ว่าจะไปนั่งอยู่ในป่าจริงๆในโคนไม้จริงๆ แม้ว่าจะนั่งอยู่คนเดียวก็ตามเมื่อได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าประธรรมประสงมาประทับอยู่ในจิตด้วยการตั้งใจถึงเป็นเทณะดังนี้แล้วก็จะทำให้ไม่กลัวอะไรไม่กลัวผีสางเทวดาไม่กลัวสัตว์ร้าย ใจก็จะบริสุทธิ์และกล้าหาญสงบก็เป็นศีลขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วก็กำหนดเอาไว้วันนี้เรามีศรณะเรามีศีล เรามีสละก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรามีศีลก็มีพื้นฐานของสมาธิแหละให้กายวาจาใจนี้เองเป็นที่ตั้งเป็นที่รองรับ ของสาระคือพระพุทธเจ้าประทับประสงค์ของสีมกกายว่าจาใจนี้ก็จะเป็นศีขึ้นมาเป็นกายว่าจาใจที่สงบที่บริสุทธิ์เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็ปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสโตอัสะสะติมีสติให้ใจเข้าสโตปัสะสะติมีสติให้ใจออกเอาสติที่ไหนามามี ก็เอาสติที่ได้เตรียมเอาไว้ดังที่ตรัสสอนไว้ว่าตั้งกายตรงตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบคำว่ามี ให้มีสติที่มีหน้าโดยรอบนั้นถ้าเสียบอย่างบุคคลก็มีหน้าอยู่หน้าเดียวและมีสองตาก็มองเห็นไปด้านหน้าเท่านั้นไม่เห็นด้านหลังไม่เห็นด้านข้างทั้งสอง แต่ว่าที่ว่าให้มีสติให้ตั้งสติมีหน้าโดยรอบนั่นก็เหมือนอย่างว่าร่างกายอันนี้มีสี่หน้ามีหน้าข้างหลังมีหน้าข้างข้า ง, งสองของ้างสี่หน้าอย่างคระรมรูกกระผมสี่หน้าก็แปลว่าเห็นได้ทุกได้ ปฏิบัติตั้งสติให้มีหน้าโดยรอบนั้นก็คือให้เหมือนอย่างสติมีหน้าสี่หน้าหรือมีหน้าโดยรอบเป็นสติที่รู้ที่เก็นรอบดั้นให้ตั้งเอาไว้ดังนี้ ก็คือทำจิตนี้เองให้เป็นจิตที่ตั้งเพื่อจะรู้รู้รอบหน้ารู้รอบด้นให้รู้ในอะไรก็คือให้รู้ในลมหายใจใหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้ ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนั่นให้มีสติรู้โดยรอบคือรู้ให้ทั่วถึงทั้งหมดและเมื่อตั้งเป็นแม่บทใหญ่ไว้ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสสอนออกไป เป็นสี่ชั้นคือชั้นที่หนึ่งหายใจเข้ายาวก็ให้รู้หายใจออกยาวก็ให้รู้ชั้นที่สองหายใจเข้าสั้นก็ให้รู้ หายใจออกสั้นก็ให้รู้ขั้นที่สามศึกษาคือตั้งใจจำเนียรกำหนดไว้ว่าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้าเราจะรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออก อั้นที่สี่ 4. ศึกษาคือสำเร็จกำหนดว่าเราจะรำงับกายสังกายยสังขารเครื่องปรุงกายหายใจเข้าเราจะรำงับกายอย่าสังขาร เรื่องปรุงกายหายใจออกดังนี้ทั้งสี่นี้รวมเป็นท่านกายานุปัสนาดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในข้อกาย ในมหาสติปฐานสุดนั้นเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงที่ท่านสอนให้ปฏิบัติตั้งจนคำอานาปานสติไว้ดังนี้ฉะนั้น ในการปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นี้โดยยังไม่นึกถึงคำอธิบายของอาจารย์ต่างๆก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ดังในขั้นที่หนึ่ง ให้ใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราให้ใจเข้ายาวให้ใจออกยาวก็รู้ว่าเราให้ใจออกยาวซึ่งในขั้นนี้ก็เริ่มตั้งแต่มีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกคือรวมจิตเข้ามากําหนดลมให้ใจ เข้าออกที่เป็นไปอยู่โดยปกตินี้ให้รู้วันนี้เข้านี้ออกและในข้อวัยยาวนั่นก็คือลมให้ใจเข้าออกที่เป็นไปโดยปกตินี้เอง เป็นการให้ใจที่ไม่ติดขัดอะไรก็เป็นการให้ใจอย่างที่เรียกกันมาให้ใจทั่วท้องที่เป็นไปโดยปกติดังที่เมื่อให้ใจเข้าท้องก็จะพองให้ใจออกท้องก็จะยุบ เป็นการให้ใจทั่วท้องเพราะฉะนั้นก็ทำความรู้ในลมให้ใจเข้าก็ผ่านจมูกเข้าไปและเมื่อให้ใจออก ก็ผ่านจมูกออกมากําหนดดูให้รู้ความกระทบของลมเมื่อเข้าเมื่อออกตลอดจนถึงอาการที่ท้องพองหรือยุบนั้นให้รู้ตลอด ดังนี้ก็เรียกว่ายาวก็เป็นไปโดยปกตินั่นเองเรามาถึงข้อสองที่วัดกันนะั้นเมื่อได้ตั้งใจกำหนดอยู่ดังนี้ใจก็สงบเข้า กายก็สงบเข้าเมื่อกายและใจสงบเข้าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าเองและไม่เมื่อละเอียดเข้าเองกดสั้เข้าเอง เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้รู้เมื่อทีแรกนั้นก็ให้ใจเขา้าให้ใจออกยาวและเมื่อกายใจละเอียดเขา้าลมให้ใจละเอียดเขา้าให้ใจเข้าให้ใจออกบอสั่นเขาเองเมื่อยังยาวนั้น ให้ใจเข้าให้ใจออกทัวดทองท้องก็พองหรือยุบและเมื่อละเอียดเข้าอาการที่ท้องพองท้องยุบนั้นก็ลดลงจนถึงเหมือนอย่างไม่พองไม่ยุบคราวนี้ให้ใจไม่ทวดทองไปแล้วเหมือนอย่าง ลงมาพึ้นครึ่งหนึ่งแอกุระคือสรงอกและเมื่อกายและใจละเอียดเข้าอีกลมให้ใจก็ละเอียดเข้าอีกก็สั้นเข้าอีกเหมือนอย่างมาเ่าแผ่วอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นและเมื่อละเอียดเข้าอีก อาการเข่แผ่นนั่นก็หายไปให้ปรากฏเหมือนยังไม่หายใจแต่อันที่จริงนั้นไม่ใช่ไม่หายใจใหายใจแต่ละเอียดมากเป็นไปเองก็ลายล ะ, ละเอียดมากเข้าอาการหายใจก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงที่แผ่นแผ่ปลายจมูกก็ไม่ปรากฏเป็นลมที่ผ่านเข้าผ่านออก ที่ไม่ปรากฏจิตใจก็จะมีความปลอดโปรงมีความสงบมากขึ้นและเมื่อปฏิบัติมาดังนี้ ก็จะไปถึงขั้นที่สาเข้าเองคือว่าจะมีความรู้ในกายทั้งหมดทั้งที่เป็นส่วนรู ป, ปรกายส่วนนามกายซึ่งคล้ายคล้กับว่ารู้ลมให้ใจนี่เองทั้งหมด ใจมารวมอยู่รู้ลมหายใจทั้งหมดก็เหมือนอย่างว่าตายทั้งหมดนี้มันนั่งอยู่ในลมหายใจที่กําหนดรู้นั้นและความรู้ทั้งหมดนั้นก็ไม่ไปที่ไหนก็มารวมอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นเพราะฉะนั้น จึงเป็นความรู้ที่มาตั้งอยู่ในภายในทั้งลมหายใจทั้งรูปกายทั้งนามกายมารวมอยู่ในความรู้อันเดียวกันทั้งหมดไม่แตกแยกไปข้างในดังนี้ก็เป็นขั้นที่สามรู้กายทั้งหมดหายใจเขา้าหายใจออกซึ่งในการปฏิบัตินั้น ก็ต้องอาศัยการศึกษาคือความตั้งใจากำหนดเราจับรู้กายทั้งหมดให้ใจเขา้าให้ใจออกแล้วก็จะเกิดความรู้กายทั้งหมดขึ้นมาและก็ขั้นที่4ีก็จะเป็นต่อกันไปเองคือดำเรับกายจะสังขารเครื่องกลุงกาย ขึ้นปันชีเอาว่ากายยสังขารนั้นก็คือตัวลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องกรุงกายเพราะฉะนั้นกรั่งับลมหายใจนี่ให้ละเอียดเข้าละเอียดเขา้าซึ่งความนั่งนับลมหายใจนี้ก็เป็นไปเองอยู่แล้วตามการปฏิบัติ แต่เมื่อมีความศึกษากำหนดดูแล้วก็ปฏิบัติให้สงบยิ่งขึ้นก็ทำให้สงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปโดยลำดับขึ้นเองก็แปลว่าสั่งเขา้าสั่งเข้าดังที่กล่าวมาในข้อสองนั้นจนถึงแผ่วๆอยูปลายจมูกหรือจนถึงแผ่วๆนั้นก็ไม่มีหายไป แต่อันที่จริงนั่นไม่ใช่หายไปไหนก็อยู่นั่นแหละแต่ว่ากายใจละเอียดที่สุดลมหายใจก็ละเอียดที่สุดจนถึงไม่ปรากฏอาการแผ่วๆที่ลายจมูกซึ่งในขั้นนี้ท้องผองยุบอะไรก็หายหมดไม่มีลมแผ่วๆปรากฏที่ปลายจมูกก็หายหมดไม่มีเหมือนยังอยู่เฉย ไม่หายใจแต่อันที่กินนั่นหายใจแต่ว่าละเอียดมากละเอียดที่สุดอย่างนี้ก็เป็นขั้นที่สี่ยังหับกายยังรังขายขึ้นกลุ่มกายก็เป็นอันจบขั้นกายานุปัสนาต่อไปนี่หก